บุคคลผู้จับลมอยู่แล้วมีสติมากเหตุนั้นภาษาเรบุตรจึงทรงสนะเสริญอาณาปานาสตินี้ถ้าใครเจริญดีแล้วกายและจิตของผู้นั้นก็ไม่ค่อยจะหวันไหวมีสติมากถ้ามีสติก็มีปัญญาปัญญากับสติจะภาคกันไม่ได้ สติปัญญาเป็นที่รวมศินสมาธิปัญญาที่ใดมีสติปัญญาที่นั่นก็คือศินสมาธิปัญญานั่นเองจะเป็นโล ก, กีหรือโลกภุตละก็เรียแต่เหตุกรณีแต่ละลายของบุคคลที่จะแยกคายในกรณีนั้น ชาอยู่กับหลวงปู่มั่น 2489-90 นั่นในปี2490นั่นเอง 91-92-93 ก็ชาภานกิจแล้วก็ไปกับหลวงปู่เทศที่นี่ในปีหนึ่งแบกฟืน แบกฟืนหนักเต็มกำลังในฤดูฝนแบกอยู่ในวัดนั่นเองไปก็ไปลมขุ้มปวกทิ้งฟืนทันถ้าทิ้งไม่ทันทับตายเลยทีนี่ก็อยู่มาสบายสบายสบายสบา ย, สบายมาล่มลงแต่พอคุกเขาแต่ยังไม่ล่ม ทิ้งฟืนทานคุกเข่ากระตุกกับแผ่นดินอยู่มาอยู่มาได้เดือนหนึ่งไปถ่ายเป็นเลือดออกที่นี่เป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งขนาดนิ้วมือนี่แต่ไม่ไม่ปวดไม่เก็บอะไรพอถึงเวลาสงนา้าวันหน้นาไปเลยไปสงน้มกับหมูเพื่อนทัน นอนตะแคงข้างขวานอนดูคนเดียวไม่ไม่เป็นโรคชนิดอื่นมีแต่เฉพาะถ่ายถ่ายก็ถ่ายสะดวกไม่ปวดแต่เป็นเลือดออวันละสามสิบครั้งเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งออกอพอถึงเวลาสงน้ําไม่ได้ลงไปสงกระเพื่อลนหลูก ป, ปู ถามู่ว่าท่านล่าไปไหนไม่เห็นมาวันนี้เออท่านถ่ายเป็นเลือดไปอุจจระปัสวะไปไปอุจร ะ, ะวันหนึ่งหนึตั้งี้สิบสามสิบครั้งในวันนี้แต่ไม่เหนื่อยนอนอยู่เยอะที่นี่ท่านกําลังจะสรงน้ามอยู่ พอท่านได้ยินก็ตะโกนขึ้นมาเลยพินหน้ามาทางคณดีแล้วเอาดูซิเอาดูซิเอาดเอาดทิคาวนี่เอ่อจนกรอกแล้วครานี่จนกรอกแล้วเอ่อเห็นดีกันคาานี่แหละจนกรอกแล้วจนกรอกแล้วราวนี่รลองตะโกนขึ้นเลยได้ที่นี่ฟังอยู่ ลูกปู่ได้ยินแล้วฝ้าผ่าแล้ววันนี้อี่ก็นึกในใจที่นี่นอนแต่แขงข้างขวาแต่ก่อนเราก็เห็นแต่คนอื่นตายแต่ตายจากขช่าสายบ่ายที่ยงเราเห็นแล้วสําหรับเราเราก็เห็นแล้วทีนี้เราจะดูเราตาย ตามสมมติจะดูเราตายตามสมมติเราจะเราจะสิ้นลมหายใจพร้อมกับเวลาออกหรือเข้าเราจะจับดูทีนี้เวลาเราสิ้นลมเวลาเราสิ้นชีวิตเราจะสิ้นพร้อมกับลมเข้าหรือลมออกเราจะดูเราตายทีนี้เราเห็นแต่คนอื่นตายภายนอก จ้องหนูอยู่ที่ลมมากระทบบริกรรมเพรอะลมมากระทบก็บริกรรมว่าตายตายตายตายตายพ่อกับลมเข้าออกทีนี้เกิดมีปัญญาขึ้นพริกทึงธรรมของพระพุทธศาสนาจะตายไปไหนลมเข้าก็ไม่ตายลมออกก็ไม่ตายก็เลยบริกรรมว่า ไม่ตายร้อมข้อมลมข้าลมออกไว ป, ประมาณสัก15นาทีเหาะทะลุขึ้นที่กุฏิของตนขึ้นถึงเมฆนอนขวางอากาศอยู่น้าตอบตนว่านี่แหมนี่ จึงจึงเป็นสมาธิแท้นี่แหละเป็นสมาธิตอบตนอยู่ที่นั่นที่นี่นานสักเท่าไหรไม่ทราบจิตก็เลยถอนออกมาพอจิตถอนออกมาก็เลยเห็นลมเข้าลมออกอยู่ตามธรรมชาติเบาๆที่สุดเมื่อปล่อยจิตจากนั้นแล้วจึงฟุ้งซ่านไปทางอื่นโลกั้านก็เลยหาย ก็เลยไม่ได้ไปอีกไปอุจฉลาปัฒวะหรือหากว่ามันถ่ายหมดแล้วมันถึงเวลามันจะหายก็ไม่ทราบเพราะเลือดมันตกข้างในก็เลยหายกันเลยทีนี้ต่อวันหลังไปไปกราบเรียนหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าไม่ใช่หลับอดอกกิจเป็นอุปจารสมาธิยาะแปลว่าไปตามนิมิตปรากฏหเหาะเหินเดินอากาศขึ้นไป อัตอมามันโลดผนในเรื่องอุปจารสมาธิโลดผนเต็มทีมันผ่านมาแต่ข้างเป็น ข, ข้างเรียนหนังสืออยู่ข้างเรียนหนังสืออยู่เขาอึกรกะทึกกันวันนั่นเป็นวันบวชนาคซึ่งเป็นมหานิกายอยู่ยังไม่ทันในยัตติเป็นมาสองพันสี่้แปดสิบหกเป็นมหานิกายอยู่ แปสิบกก็เป็นมหานิกายอยู่แปดสิบแปดจึงมายติจึงออกปฏิบัติเป็นมหานิกายอยู่ชั้นชั้นมือเดียวปัจจัยไม่รับไว้กับตนมีบาทหนึ่งช้าวบาทก็ให้โยมเก็บไว้ชั้นอาหารมือเดียวแต่ไม่ในชั้นในบาท ไม่ได้ฉันจิ๊บจิ๊บเจ๊บในเวลากลางเทีย่ยงทีนี้เขาบวหนาเขาก็มีมอหลำตามภาคอีสานของเขาก็ทึกกันอยู่เอเสียงนี่เป็นอันตรายต่อปถมชานเราลู่ดีแล้วตามปริยัติถ้าอย่างนั้นเราจะเข้าไปในโบสถ์ ที่นี่ก็เลยเข้าไปในโบสถ์เป็นโบสถ์ธรรมดาไม่ใช่โบสถ์ก่อด้วยอิฐหรือปูนกั้นกระดานฝาแต่ปิดประตูไม่ได้ปิดหน้าต่างไม่ได้เพราะในเวลานั้นเป็นฤลดลูร้อนตอนกลางคืนก็กราบพระพุทธรูปเข้าไปแล้วเราจะภาวนาตักจำนวนเสียงจำพวกนี้ก่อนเถิด น, นึกไในใจ กำหนดลมหหยใจเข้าออกเรานั่งกรงเรานั่งอยู่ใกล้พระพุทธโลกเราก็ต้องพินหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่งพับเพียบเถิอดอย่านั่งขัดสมาธิก็าตามเถิดนั่งพับเพียบอย่างนี้กำหนดลมหายใจเข้าออกเออลมหายใจออกก็เป็นอารมณ์ของกิจชนิดหนึ่ง ลมหายใจเข้าก็เป็นอารมณ์ของจิตชนิดหนึ่งนิมิต ท, ที่กำหนดลมมาถูกต้องก็เป็นอารมณ์ของจิตชนิดหนึ่งเป็นของละเอียดละออนักทีนี้ทำสามประการนี้ต้องรู้จักกันรถของเวลาลมหายใจเข้ารถของเวลาลมหายใจออกรถของ การจับนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ลมกระทบจับไปจับไปจับไปจับไปเงียบเลยเปลอยเสียงเจ้าตัวกระเด็นขึ้นปรากฏว่ากระเด็นขึ้นอยู่กลางอากาศเงียบไม่ได้ยินเสียงเลย ไม่รู้วานานเท่าไรพอออกมาตามธรรมดาของเขามีมหรสศพเขาต้องเอาจนถึงสว่างคนภาคอีสานไม่ถึงหกทุ่มจึงได้ยินเสียงเขา ก, กระทึกสมาธิแบบนี้ก็มีกำลังขนาดนี้หมดกำลังก็ถอนออกมาเหมือนกันที่นี่แบบหนึ่ง เวลารวมลงไปมันทะลุภูเขาเลยมีแบบนี้ทะลุภูเขาไปเลยขาดไปเลยภูเขาไม่กระทบกระเทือนเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นจับพิรุษได้ยังไงจะสันติฐานได้ยังไง เวลาเราภาวนาไปเมื่อแสงสว่างมันออกมาผ่านทางหน้าที่นี่เราก็ลืมกรรมาฐานเดิมแต่ไม่ลืมก็ตามจับเป็นนิมิตสองเงื่อนเงื่อนเดิมเราก็จับอยู่นิมิตก็จับเห็นพร้อมกันกับเงื่อนเดิมนิมิตเครื่องหมายเงื่อนเดิมนิมิตมาแทรกใหม่คือนิมิตแคกนิมิตแขะคือแสงสว่างที่เราก็เพ่งเพ่งแสงสว่าง ทีนี้พอแสงสว่างมาแล้วก็เพ่งจับไว้เมื่อแสงสว่างดับไปก็ไม่ต้องเคลือ่อนที่ดับไปที่ไหนต้องเพ่งอยู่ที่นั่นแสงสว่างเกิดขึ้นเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้ น, นจิตก็เบาทีนี้จิตก็บาก็เกิดขนพองเสยองเก่าทะลุไปเลยทีนี้แบบนั่นก็มีมีหลายแบบแต่ได้เพียงแค่นั้นเกิดขึ้นแล้วก็แฟปวนอะไรดับไปแบบหนึ่งก็ขึ้น ไปบนในอากาศตีลังกาเลยก็มีตีลังกาปิ่งความปิ้งหายสารพัดนิมิตจำพวกนี่จะเอาเป็นเครื่องวิสุทธิอุตมะก็ไม่ได้ก็ได้เพียงแค่นั้นแหละหมดกำลังก็ถอนออกมาเหมือนกัน ส่วนเราพิจะนาะพิพิจารณาทุกครั้งอนิจจังอนัตตาหรือพิจารณาความเกิดข e ึ้นแปรปรวนและด <t une> ับไปพ่ออมกลมลมให้ใจเข้าออกหรือปฏิเสธอยู่พ่ออมกับลมให้ใจเข้าออกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา <t une> เป็นแต่สักว่าลม <t une> เป็นแต่สักว่ากิจเป็นแต่สักว่าผู้ร <t une> ู้พ่ออมกลมลมให้ใจเข้าอกวิธีนี้มีปัญญาจะถอนตนวิธีนี้ลมก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ลมผู้รู้ก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ผู้รู้ จิตก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ใจิตจิตก็เป็นแต่ศัก์ว่าจิตผู้ลูกก็เป็นแต่ศักดิ์ผู้ลหรือพ่อให้ให้เห็นพ้อเก็ลมให้ใจเข้าออกแบบนี้มีกำลังแบบนี้และเป็นอุบายที่จะถอนอุปท า, านในที่ทั้งปวงด้วยทั้งลมออกและลมเข้าเราไม่ดีใจไม่เสียใจในลมออกและลมเข้าและเราไม่กำหนัดว่าลมเป็นเราเราเป็นลมและเราไม่กาหนดว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิต เราไม่กำหนดว่าสติเป็นเราเราเป็นสติหรือปัญญาหรืออะไรต่ออะไรก็เหมือนกันโอนสู่ใจรักโอนสู่อนิจจังพ้อขมกำลมหายใจเขาออกอย่างนี้มีกําลังมากอย่างนี้เป็นภาพพจน์ที่จะให้เบื่อหน่ายคลายเม า, าในวัฏสงสารอีกด้วยเรื่องนิมิตต่างๆนิมิตแปลวเครื่องหมายอืเกิดขึ้นแล้วก็แปลปวนได้รับไปอยู่ใต้อํานาจทั้งนั้นถ้าตายคานิมิตไปเกิดที่ไหนอย่างสูงก็ไปเกิดพมโลก ปีติก็เหมือนกันปีติเกิดขึ้นปีติก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกันก็อยู่ใต้อำนาจอาจารย์เดี๋ยว ก, ก็หายเดี๋ยว ก, ก็ถอนออกเหมือนกันสุขเวทนาที่เกิดในในในภาวนาก็เหมือนกันอุเบกขาที่เกิดในใ น, ในภาวนาก็เหมือนกันตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกันเกิดขึ้นได้แปรปรวนระดับไปยกขึ้นสู่ใจลักพ่ออมก็ลมหายใจเข้าออก เห็นทั้งความเกิดขึ้นด้วยเห็นทั้งความแปรปรวนด้วยเห็นทั้งความดับไปด้วยเพราะพระ น, นิพพานพระนิพพานไม่ใช่ผู้รู้พระนิพพานไม่ใช่อดีตพระนิพพานไม่ใช่อนาคตพระนิพพานไม่ใช่ปัจจุบันปัจจุบันเป็นหนทางเดินเข้าสู่พระนิพพานต่างหากที่รวมศีลสมาธิปัญญาลงมาสู่ในปัจจุบันในกิจปัจจุบั น, นธรรม ก็คือทางเดินของโยคาวาจอรท่านผู้พ้นแล้วท่านไม่ได้ถือมั่นอยู่ในปัจจุบันอดีตอนาคตอันไนเลยทระนิี้านม่อยู่ในปัจจุบันทระนิี้านม่อยู่ในอดีตทระนิี้านม่อยู่ในอนาคตปัจจุบันเป็นทางเดินเฉยๆสิ้นสมาธิปัญญากลมกลื่นกันในปัจจุบันนจิตปัจจุบันธรรม จะสิ้นความสงสัยสิ่งใดใก็จิตปัจจุบันทำปัจจุบันเท่านั้น mm hmm. ไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่ทำอดีตไม่ใช่จิตอนาคตไม่ใช่ทำอนาคต mm hmm. เหตุนั้นแปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์ท่านจึงให้ย่นลงมาในปัจจุบันในจิตปัจจุบันนธรรมลมกําลังเข้าลมยังไม่ออกก็ไม่ต้องหมายลมกําลังออกยังไม่เข้า ก็ยังไม่ต้องหมายแต่ด้วยความชำนาญก็ต้องรู้ล่วงหน้าเพราะความชำนาญลมละเอียดก็ให้รู้จักว่าลมละเอียดลมหยาบก็ให้รู้จักว่าลมหยาบความทุกข์กายทุกใจพ้อมกับลมเข้าลมออกก็ให้รู้จักความสบายกายสบายใจพ้อขก้นลมเข้าลมออกก็ให้รู้จักทีนี้เมื่อลมละเอียดเข้าแล้วปล่อยลมเสีย ลงไปอยู่กับผู้รู้ทีนี้ถอนออกจากผู้รู้มาก็มาหาลมถอนออกจากลมมาก็อยู่ตามธรรมดาก็ได้หรือผู้ชำนาญก็รู้จักอยู่ทุกอิริยาบถอีกเหมือนกัน อ, อาณาปานาสติเป็นที่อยู่ของพลมบ้าง เป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่ของพระอาหารหันต์ชั่วคราวบ้างอานาปานสติมีอาณิสงฆ์สามสิบเอ็ดประการกายคตาสติมีอานิสงฆ์อานาปานสติมีอาณิสงฆ์สามสิบประการกายคตาสติมีอานิสงฆ์สิบยี่สิบเอ็ดประการภ ะ, ะมมิหารมีอาณิสงฆ์ 11บประการเจริญพุทธคุณล้นรูมันมีอานิสงส์ิบสามประการเราพิจารณาเป็นเครื่องอยู่สำหรับสมาธิพระบรมม า, ศ า, ศาสดาไม่ได้สอนให้ติดอยู่ในสมาธิด้วยมีน้ำซ้ำไม่ได้สอนให้ติดอยู่ในวิปัฒนาอีกด้วย พิจารณาทุกขังอนิจจังอนัตตาก็มาในวังเพื่อให้ติดอยู่ในอนิจจังทุกขรังอนัตตาพิจารณาตามเป็นจริงเฉยๆเพื่อให้เบื่อเพื่อให้หนายเพื่อให้คลายเพื่อไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นอนิจจังอนิจจังเป็นเราเราเอาเป็นทุกขังทุกขังเป็นเราเราเป็นอนัตตาอนัตตาเป็นเราไม่ให้ยืนยันอย่างนั้นให้รู้ตามเป็นจริงและทรงคืนทรงคืนคือทรงคืนยังไง สงคืนความหลงของตนที่เข้าใจผิดมาเรียกว่าสงคืนดินก็เป็นดินตามสมมุติเต็มภูมิน้าก็เป็นน้มสมมุติเต็มภูมิไฟก็เป็นไฟสมมุติเต็มภูมิลมก็เป็นลมสมมุติเต็มภูมิแต่ใครเป็นเจ้าของดินใครเป็นเจ้าของนม้มใครเป็นเจ้าของไฟใครเป็นเจ้าของลมไม่มีในทางปรมัด แต่มีในทางพระสูตรและพระวินัยที่ยึดถือกันชั่วคราวสมมติว่าเราเขาสัตบุคคลแต่โดยเป็นจริงแท้ไม่มีใครเป็นเจ้าของดินน้ำไฟล ม, มเกิดขึ้นแนแปรปวนแตกสลายไปรูปก็ดีนามก็ดีขันก็ดีเกิดขึ้นแน แ, แปรปวนแตกสลายไปมไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยปรมัตดแต่โดยสมมุติก็มีตามสมมติกันจริงตามสมมติหนังก็จริงตามหนัง เนื้อก็จริงตามเนื้อจเจาเนื้อหรือกระดูกมาคัดแย้งกับหนังก็ไม่ได้เปลือกก็จริงตามเปลือกกระพี่ก็จริงตามกระพี่แกนของมันก็จริงตามแก่นของมันภูมิของสัตว์ที่ต้องเที่ยวอยู่ในวัดตสงสาร กามาวัจระภูมิท่านท่องท่านท่องเที่ยวอยู่ในกาลรูปาวัจจระภูมิท่านท่องเที่ยวอยู่ในรูปอรูปาวัจจระภูมิท่านท่องท่านท่องเที่ยวอยู่ในอรูปโลกุตระภูมิชัานพ้นจากโลกแล้วท่านผู้พ้นจากทุกโลกแล้วไม่ติดอยู่ในกามาวัจจระภูมิรูปาวัจจระภูมิอรูปาวัจจระภูมิภูมิของกิจของใจไม่ได้ติดอยู่ พอพ้นไปแล้วเรียกว่าโลกุตตรภูมิพบสามภูมิสี่กาลมาพบรูปอพบอรูปประพบพบเป็นที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายเมื่อสัตว์ทั้งหลายไม่ยึดถือในพบพบแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ได้เกิดในภพรูปตามเป็นจริงของภพรู้ตามเป็นจริงของชาติ พร้อมทั้งสลัดคืนด้วยพร้อมทั้งไม่สงสัยด้วยสิ่งต่างๆที่บรรจุอยู่ในโลกย่อมเกิดขึ้นแล้วย่อมแปรปรวนย่อมแตกสลายไปนี่เป็นรอบหนึ่งรอบที่สองก็คือรอบเก่านั่นเองเกิดขึ้นอีกแปรปรวนอีกแตกสลายอีกจนนับไม่ไหวไม่มีเงินต้นเงินเนปลาย เช่นไฟอย่างนี้มีทั้งเกิดขึ้นมีทั้งแปรปวนมีทั้งดับไปทียิบนี่ยจนเป็นแสงติดกันเลยเข็มเย็บผ้าที่เข็มสับผ้าเข็มจักร จะเลี้ยวซึกเพียงไหนก็ลงถึงฐานเชียก่อนถึงฐานสับผ้าเชียก่อนแต่จะร้อยได้หรือไม่ร้อยไม่เป็นปัญหาอนะั้นชั้นใดก็ดีกิจของพระลหันเหมือนเข็มเย็บผ้าที่ไม่มีได้ร้อยเรามองดูอดีตที่เราผ่านมาก็คือผ่านเกิดขึ้นแล้วไปปวนระดับไปนั่นเอง อนาคตเราจะผ่านไปก็ผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นน่แปรปวนระดับไปปัจจุบันที่เราผ่านอยู่เดี๋ยวนี้ก็ผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แปรปวนระดับไปเราจึงทำสติเราจึงทำปัญญาให้เหนือสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเสมอให้รู้ตามเป็นจริงมิฉะนั้นแล้วเราจะสงสัยเราจะตื่นเต้นว่าเป็นของใหม่ ความเกิดขึ้นแปรปรวนและดับไปไม่ใช่ของใหม่ทําที่ไม่เกิดขึ้นทาที่ไม่แปรปรวนทาที่ไม่ดับไปก็ไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่าอยู่ทั้งทั้งสองเงื่อนเราจงมีที่เกาะเราจงมีที่พึ่งถ้าเราเจริญกรรมฐานอะไรที่ถูกกับจริตนิสัยของเราเราก็เอากรรมฐานอ น, นันต์ไม่ต้องเชื่อคนอื่น เราเคยสะดวกสบายพรมมาวิหารเราก็ต้องเอาพรมมาวิหารเป็นที่อยู่ของคิดของใจของเราเราสะดวกลมหายใจเข้าออกเราก็ต้องเอาลมหายใจเข้าออกเป็นที่อยู่ของคิดของใจเราสะดวกพุทโธเราก็ต้องเอาพุทโธธรรมโมสังโฆกลมกลืนกันอยู่มือเป็นที่อยู่ของคิดของใจแต่มีความหมายอันเดียวกัน ถ้ายังไม่พ่นก็จัดเป็นปุญญาพิสังขารเสมอกันหมดอภิสังขารคือบุญถ้าพ้นแล้วก็จัดเป็นพระนิพพานเหมือนกันถ้ายังไม่พ่นก็จัดเป็นปุญญาพิสังขารอภิสังขารคือบุญคือภาวนาไม่บุญสาเร็จด้วยการภาวนานีบุญทานบุญศีลบุญอะไรต่ออะไรข้อวัดปฏิบัติ อันนั้นบ้างอันนี้บ้างเต็มตื่นขึ้นเต็มตื่นขึ้นมันก็พ้นเท่านั้นพวกเราเออมันมันต้องอยู่ไม่ไหวต้องพ้นผู้ปรารถนาพ้นก็ต้องพ้นผู้ต้องการพ้นก็ต้องพ้นไม่เหลือวิสัยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือวิสัยความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับความพยายามผู้ที่พยายามทำชั่วเขาก็สำเร็จเหมือนกันแต่ว่ามันให้ผลต่างกัน พยายามทำดีก็สำเร็จเหมือนกันแต่ให้พ้น่างกันกันกบความชั่วสิ่งไหนเป็นที่สบายของกิจไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนกรรมฐานอันนั้นแหละรักษาไว้ให้ดีใครบอกก็ไม่ถูกดอก ริ่นของเราต้องชิมดูเองอาหารทั้งปวงถูกกับริ่นของเราเราก็เอาละธรรมะก็เหมือนกันเพราะเป็นที่สบายที่พระองค์วางไว้หลายๆอย่างก็เพื่อให้เราเลือกเอาแต่มีความหมายอันเดียวกันสิ่งที่พระองค์วางไว้เป็นนิยานิกระทำนำสัตว์ทั้งหลายออกจาก ว, วัตตารสงสารได้พวกนั้น กรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างเป็นนิยานิกระทมนำสัตว์ทั้งหลายออกจากะวัตตะรงสารออกจากความมุนเวียนออกจากความหลงได้ตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทำน้อยแล้วมากเรามีความหวังอันเดียวเท่านั้นเรามีความความต้องการอันเดียวต้องการพ้นทุกข์ในวัตตะสงสารเท่านั้น สิ่งอื่นๆก็ไม่พอที่จะมาเป็นเจ้าหัวใจของเราได้ถึงแม้เรามีกิเลสอยู่ก็าตามแต่ไม่พอจะมาเป็นเจ้าหัวใจของพวกเราได้ไปรถไปเรืออำนาจของภาวนาขออย่าให้พบผ่าน อันตรายใดๆทั้งสิ้นเรานั่งในรถในเรือเราสนุกภาวนาเพราะจิตใจของพวกเราห่างเหินจากฆรวาสมาแล้วเพศของเราก็มีเพศขาวเป็นเครื่องหมายมจิตใจที่พวกเราเคยขนองมา แต่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นบ่า mm hmm. พวกเราชนะมันแล้วมันไม่ขบุดคืน mm hmm. เดี๋ยวนี้กิตใจและเจตนาของพวกเราเดินตรงแล้ว mm hmm. เดินลัดผ่าศูนย์กลางแล้วไม่โดนวนเวียนตามขอบกระดง เอพวกเราเห็นภัยในวัฏฏสงสารอย่างเต็มที่เมื่อพวกเราเห็นภัยในวัฏฏสงสารอย่างเต็มที่ความเพลินของพวกเราก็สงบลงอย่างเต็มที่เหมือนกันไม่อยู่ระดับเดิมคนภาวนาอยู่ทุกวันคนทําความดีอยู่ทุกวันไม่ใช่ความดีจะอยู่จะอยู่ระดับเก่า เลยผู้ทําความชั่วอยู่ทุกวันก็เหมือนกันไม่ใช่ความชั่วจะอยู่ระดับตะเก่าก็ต้องเพิ่มขึ้นเรียกว่าบาปคูณบาปบุญคูณบุญภาวนากูณภาวนาความเพลินในวัฏสงสารคูณกันความเห็นภัยในวัฏสงสารก็คูณกันเหมือนกันอนับวันจะไกล ออกจากวัตะสงสา ร, รลิบหลีลิบหลีถ้าหากว่าพวกเราเกี่ยวข้องอยู่ในทางคาราวาสเช่แล้วการพรลุงพลังอะไรยุ่งยากเยือของพวกเราจะมีภาพพจนมากกว่านี้เดี๋ยวนี้เราปดเอกมามากแล้วเบาแล้วที้ ไม่นักนับวันจะทำจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้นได้ให้ชนะความหลงของตนไปทุกวันทุกวันความหลงของตนมันจะรวมพลมาจากที่ไหนอีกมันจับกลุ่มไม่ได้หรอกมันแตกสลายแล้วเพราะเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีทานศีลภาวนา เป็นเจ้าหัวใจอยู่แล้วแต่ก่อนมันมานั่งเก้าอี้อยู่ที่เจ้าหัวใจของพวกเราแล้วเดี๋ยวนี้มันนั่งมันมันนั่งม่เป็นสุขใชแล้ว